สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะเราก็มาพบกันในสัปดาห์สุดท้ายของปี2552เลยนะคะกับรายการสัสนีสนทนาที่สถานีวิทยุ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีโดยมีดิฉันสัสนีษานพง์เป็นผู้ดำเนินรายการเ น, นะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆ หลตาแล้วนึกขึ้นได้เลยว่าเนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วเรายังจําได้รายละเอียดมากเลยว่าในวันเหล่านี้เหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นบางทีจําไปได้หลายปีที่แล้วเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นวันคริสต์มาสเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่ิบเก้าเนี่ยพอมาถึงคริสต์มาสปุ๊บโอ้ดิฉันนึกขึ้นได้วันนี้วันนั้นอยู่ที่ทีรอซนะูนะบรรยากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเนี่ยมันเดินทาง เร็วนะบางทีบางครั้งเรามีความรู้สึกเสียดายว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้มากเท่ากับที่ควรจะทำได้ในเวลาปีหนึ่งปีหนึ่งที่จะผ่านไปนะคะอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วรายการนี้เราได้เชิญผู้ฟังรายการ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทาง FM106 เนี่ยนะคะช่วยในการที่จะโฆษณาเพิ่มให้ช่วยในการที่จะประสานงานแล้วเราก็ได้พาท่านฟังจำนวนหนึ่งไปที่วัดนาป่าพงเพื่อที่จะไปทำบุญข้ามปีคือส่งท้ายปีเก่าแล้วก็รับปีใหม่กันแบบชาวพุทธคือเราเชื่อว่าการทำแบบนี้น่าจะได้มีสิริมงคลนะคะ ดูสิผ่านไปแป๊บเดียวนี้จะอีกปีอีกแล้วแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่ามีข้อขัดข้องบางประการอย่างไรก็ตามเรามีมงคลมาให้กับท่านผู้ฟังทุกวันโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ก็ได้ตกลงกับท่านจาันเพปูลนะคะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในเรื่องที่ท่านฟังน่าจะได้ประโยชน์เอาไว้สําหรับคนที่พอถึงช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มักจะนึกอะไรในทำนองที่คล้ายๆกันนะคะว่าเหมือนกับข้อสมมุติแล้ว ให้ปีหนึ่งมันเริ่มต้นอย่างนั้นมาสิ้นสุดอย่างนี้แล้วก็สมมติว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ทุกคนก็อยากจะทิ้งไอ้สิ่งที่ไม่ดีเก่าๆให้มันหมดไปพร้อมๆกับสมมุติที่เขาให้จบไปแล้วก็อยากจะเริ่มต้นสิ่งที่ดีใหม่ๆพร้อมๆกับสมมติที่เขากำหนดให้ว่าเป็นเริ่มต้นของปีเชื่อว่ารายละเอียดที่แต่ละคนคิดเนี่ยคงมีผิดแปกแตกต่างกันไปแต่เชื่อว่า รวมกันแล้วสุดท้ายทุกคนบอกอยากมีความสุขอยากมีความสุขจะต้องทําอย่างไรในทางทั่วๆไปอันนั้นก็แล้วแต่จะเป็นคําตอบที่ให้แก่กันนะคะแต่ว่ารายการของเรานี้เราเ น, น้นเฉพาะว่าความสุขแบบลูกพระพุทธเจ้าหรือแบบคนที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นเราควรจะทําอย่างไรจึงจะได้มันมาค่ะอย่างไรก็ตามคําถามอื่นๆที่มีท่านฟังได้ ถามเข้ามาทางรายการไม่ว่าจะเป็นการถามเข้ามาโดยตรงที่ทางสถา น, นวีวิทยุแห่งนี้หรือว่าถามไปที่ท่าอาจารย์ภับุญโดยตรงเพราะว่าท่านเองก็มีช่องทางในการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ทางสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็จะได้มาตอบกันในรายการนี้เช่นเดียวกันเวลาที่ไปตามที่ต่างๆก็มีความภูมิใจนะคะว่าบางครั้งเราก็นึกไม่ถึงว่ามีคนฟังรายการพอสมควรทีเดียวและในที่ที่ไม่คิดว่าจะเจอเช่นสถานที่ที่ เป็นโรงพยาบาลสําหรับชาวคริสต์นะคะที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ดิ๋ยวฉันก็ได้ไปเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาเห็นเราถือหนังสือเล่มเดียวกับที่แจกท่านฟังอยู่เป็นประจําคือหนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะเนี่ยนะคะเขาเขาบอกอพี่หนูฟังรายการพี่เป็นประจําเลยแล้วก็หนูได้หนังสือเล่ม น, นี้แล้วด้วยนะจึงกําลังจะบอกว่ากําลังจะมีข่าวดีเกี่ยวกับหนังสือเล่ม น, นั้นอีกนะคะแต่ว่าเวลาคงจะต้อง สงวนเอาไว้สำหรับสนทนากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนโซึ่งท่านอุตสาเดินทางมาโดยตรงจากจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าดอนหายโศกก็อยากให้ใช้เวลาสมบูรณ์ของท่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรายังมีเวลาคุยกันอีกนะคะว่ามีอะไรที่เป็นข่าวดีเพิ่มเติมสำหรับพุทธวัรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธนี้คะ่ะเดี๋ยวไปพบกับพระอาจารย์ภับุญอภิปุลโนในช่วงถามโลกตอบธรรมกันก่อนนะคะ โลกตอบธรรมท่านฟังค่ะถึงช่วงถามโลกตอบธรรมท่านจะได้พบกับพระอาจาราย์ไผบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนายโกในวันจันทร์ถึงวันพุธและขณะนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะนักมรสการคะท่านคะาอาจริญนพรค่ะปลายปีที่วัดมีบรรยากาศอะไรพิเศษไหมค ะ, ะช่วงปีใหม่ก็ไม่มีอะไรนะก็อาจจะมีญาติโยมมาเยี่ยมหลวงพ่อบ้างแล้วแต่แต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้จัด กิจกรรมอะไรมากก็พระต่างๆก็เพียนพรนากันไปมีทําบุญตามประเพณีอะไรอย่างนี้ไหมคะที่ประชาชนก็ชอบที่จะทําบุญเขาก็จะมาใส่บาตรกันตามปกติใส่บาตรแล้วก็ถวายอาหารตามปกติส่วนเมื่อสักครู่คุณโยมติวพูดถึงเรื่องอพอปีใหม่หรือว่าเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะนึกหวนไ่ถึงความคิดเก่าๆ ว, ว, ว่าเมื่อก่อนเป็นอะไรยังไงถูกไหมและอนนสอดคล้องกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ราะว่าพระองค์เองเนี่ย เมื่อจะคิดถึงกามเนี่ยก็จะคิดถึงกามในอดีตเท่านั้นออจะไม่คิดถึงกามในอนาคตเลยกามเนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างคก็จะไปขวนคิดถึงคราวที่มีประสาทราชวางังลูกเมียอะไรต่างๆอย่างนี้คร้าวก็เหมือนกันถ้าจะคิดถึงกามก็จะขวนไปคิดถึงกามอันเก่าๆต่ไม่ได้คิดถึงกามในอนาคตออแปลว่าเป็นธรรมชาติของจิตเราจิตทั้ง พูดสรุปรวมว่าเป็นจิตทุกจิตเลยไหมคะหรือว่าไม่อะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ก็นี้เป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แปลงก็เป็นอากาลิโกค่ะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็เหมือนกับพวกเราส่วนใหญ่ที่มักจะทบทวนใช่ไหมคะคือมันก็ถึงเวลาสัทีหนึ่งก็ทบทวนสทัทีปีนี้มีอะไรไม่ดีบ้างปีที่ปีที่แล้วไปเที่ยวที่ไหนมาน้าตกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวยงามอย่างนั้นอย่างนี้นี่ค่ะและถ้าคนทํางานอะไรบางทีก็ เป็นการทบทวนตามหน้าที่ใช่อย่างตอนนี้นี่ก็มีสรุปข่าวกันทุกวันเลยนะคะแล่ถ้าเป็นข่าวการเมืองเขาก็นิยมจะตั้งฉายาฉายานี้นิยมตั้งกันจริงเลยฉายาดาราก็ตั้งกันใช่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่เนี่ยอยากจะให้ท่านได้ตอบคำถามท่านผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็ฝากคำถามไว้ก่อนดีไหมคะ ที่ส่งไปทางอีเมลกับเว็บไซต์เขาส่งไปทางเมลอะไรคะท่านคะเผื่อว่าท่านฟังที่อยู่ทางบ้านอยากจะใช้ช่องทางนี้บ้างส่งมาที่เว็บไซต์เพียว m รรมะคอันนั้นซึ่งเป็นเป็นเว็บไซต์ที่เป็นบล็อกเป็นเว็บล็อกนี่แหละเวบล็อกของอาตมาแล้วก็ฝากข้อฝากคำถามไว้ในเว็บไซต์นี้เพียวธรรมะ c o m p u r e d h a m a c o m เขียนติดกันหมดนะคะเพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์นะคะท่านฟังค่ะ ในคําถามที่หนึ่งที่ถามว่าการที่คนสักคนจะเกิดกับส ก, กุลใดครอบครัวใดพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้อย่างไรเราต้องดูที่เหตุปริชาบอกว่าคนจะเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องมีเหตุของการเกิดอะไรเป็นเหตุของการเกิดก็คือภพภพที่เราอยู่ตอเนี้ยเป็นโลกเนี่ยเอาแล้วอะไรเป็นเหตุของภพใช่ไหมค่ะก็คืออุ ป, ปทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีอุปทานอยู่เนี่ย ก็จะต้องไปเกิดแน่นอนอะไรเป็นเหตุของอุปทานก็คือมีตนานาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าเอา้าคุณจะไปเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ว่าคุณนะ่ยมีความติดยึดในลักษณะใดพระพเจ้าบอกอย่างนี้ว่าถ้าคนที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งกรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมยังไงเอาก็ทําทกรรมอะไรไว้ล่ะถ้าการกระทําทางกายตรงทางกระทําทางวาจาตรงการกระทําทางใจตรงเนี่ยนะ คติของผู้นั้นจะเป็นคติที่ตรงคติที่ตรงเนี่ยก็จะมีอุบัติคือการเกิดที่ตรงอุบัติคือการเกิดที่ตรงเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนได้บ้างสวรรค์ก็ได้มนุษย์ก็ได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะจะอยู่ในสกุลที่มีโภคทรัพย์มากเป็นพราหมณ์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างมีโภคทรัพย์มากมีทองและเงินและอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากเพราะฉะนั้นถ้าคติของเราตรงเ เ, เราก็จะไปเกิดในที่ดีทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าอุปทานของเราเนี่ยไปยึดในสกุลใดถ้าอุปทานเราไปยึดในสกุลแบบนี้เราก็จะไปเกิดในสกุลแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นเทนี้รำพืออ่อุปทานอุปทานมันเกิดขึ้นเองไหมคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยพอฟังอย่างนี้ได้ความรู้สมมุตินะคคนฟังอยู่ว่างั้นเร า, เราพยายามบอกตัวเองเลยแม่ฉันจะต้องสร้างอุปทานไปที่ดีๆนะ ทีนี้ถามว่าอะไรเป็นเหตุของอุปทานตันหาตันหาความอยากเป็นเหตุของอุปทานเมื่อมีตันหาก็มีอุปทานเมื่อมีอุปทานก็มีภพเมื่อมีภพก็มีการเกิดใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าตันหาแบบไหนที่จะพาให้เราไปมีอุปทานแบบที่เราต้องการหรือว่าไปเกิดในภพที่นั้นๆั้นน่ะนะเรื่องนี้มีตัวอย่างเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตําหนิภาษารีบุตรด้วยเป็นเรื่องที่ภาษารีบุตรเนี่ยไปหาเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นพราหมณ์สมัยก่อนเป็นพราหมณ์ด้วยกันเนี่ยสมัยก่อนหน้านั้นนะนะ<ม>แล้วก็พราหม์คนเนี้ยป่วยพราหมณ์คนนี้นนอ่ะก็เลยขอให้พระสารีบุตรไปเยี่ยมพระสารีบุตรก็ถามว่าเออท่านท่านพรามพรามคนเนี้ยยังมีความติดยึดในทรัพย์สมบัติไหมพราหมณ์คนนี้ก็บอกว่าไม่มีละอะไรทรัพย์สมบัติอะไรเราก็ไม่ห่วงหละแล้วก็ถามต่อว่ายังมีความห่วงในลูกใน ภรรยาในทายาทอะไรต่างๆไหมคนนี้ก็บอกว่าไม่ห่วงละแล้วก็ยังถามต่อว่ า, อายังมีความอยากในกามที่ละเอียดไหมกามที่ละเอียดเนี่ยเป็นกามของเทวดาชั้นที่หนึ่งไล่ไปชั้นที่สองสามสี่ใช่ไหถามจนกระทั่งไปถึงว่ายังมีความปรารถนาหรือความพอใจในกามในพบแบบชั้นพรหมหรือไม่คะ่ะนะ พระสารีบุตรก็ทราบว่าพรามคนนี้มีความพอใจในชั้นพรมเลยบอกกุสโลบายที่จะทำให้ไปเกิดเป็นพรมได้นันก็คือการเจริญเมตตากรุณามุฒิตาอเบกขาเสร็จปุ๊บก็ลุกจากที่นั่งแล้วกลับมาที่ที่พักหลังจากนั้นพรามคนนี้ก็ทำการการละตายไปได้ไปเกิดในพรมพระชาเลียกมาถามเลยบอกว่าเอ้าสารีบุตรทาไมเธอไปชี้ช่องทางในการที่ให้เป็นพรม ยังไม่สำเร็จสุดยอดแล้วกลับมาจากที่นั่นละ่ะค่ะเพราะว่าพระสารีบุตรเลยให้คำตอบว่าเพราะว่าจิตของพรามผู้นี้มีความโน้มไปพอใจในชั้นพรมในการเป็นอยู่ร่วมกับพรมทั้งหลายก็เลยบอกแค่นี้พระริชา์เลยตำหนิบอกว่าเอ้จริงๆมันมีที่สืงกว่านั้นคือการเป็นบรรลุนิพพานอันนี้ก็เป็นข้อที่ว่า ข, ข, ข้อสังเกตอันหนึ่งที่ว่า การตัดสินใจบางอย่างของสาวกเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ว่า น, นี่เป็นข้อสังเกตอีกประเด็นที่สองให้เราเห็นว่าถ้าเราพอใจในภพบแบบไหนเนี่ยเราก <c oughs> ็จะไปอยู่ในภพแบบนั้นค่ะก็หมายความว่ามันมีที่ไปที่มาอยู่ <c oughs> ใช่ที่ไปที่มานั้นมันอยู่ที่เรื่องของ อ, อุปทานที่ทําให้เกิดภพแต่ว่าก่อนจะมาเป็นอุปทานคือเรามีความอยากอย่างไรมีตัณหาอย่างไร <c oughs> ชแล้วมันก็จะมี ที่มาก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาอีกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จึงควรที่จะสร้างเหตุให้ถูกอย่างนั้นไหมคะสรุปก็คือว่าตอนก่อนที่จะทําการละหรือตายไปเนี่ยพระเช้าพูดถึงว่าถ้าจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยไปเกิดที่ไม่ดีแน่นอนเป็นทุกติเป็นสัตว์ประเภทที่มีความกระสือกสนเช่นอวิญญาณบาศสัตว์เดรัจฉานเป็นผีเปรตหรือสัตว์นรกเหล่านี้ ถ้าจิตเราไม่ไม่ตรงจิตเราเนี่ยมีความกระสือกระสนแต่ถ้าจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่ดีนะเราจะไปที่ที่ดีได้อย่างจิตของคนที่ไม่ดีเนี่ ย, น, ยนะอันดับแรกเลยเนี่ยคนที่มีบุญน้อยวสนาสน้อยหรือว่าจิตของเราเนี่ยไม่ดีเนี่ยป๊บ พ, พระเจ้าบอกเลยนะว่าคนที่มีบุญน้อยเนี่ยก่อนตายเนี่ยจะเครียดแล้วว่าตัวฉันไม่ได้ทาความดีมาไม่ได้ทาความดีมาไม่ได้สร้างกุศลเลยไม่รู้จะไปที่ไหนพอเครียดอย่างนี้เสร็จ เมื่อทํากาล้าตายลงไปเนี่ยจะถูกไปพบย ม, มาบาลพระเจ้าเล่าถึงย ม, มาบาลบอกว่าย ม, มาบาลจะถามบุคคลผู้นี้ก่อนว่าอะเคยเห็นไหมเทวทูตที่หนึ่งที่อยู่ในบรรดาหมู่มนุษย์สันนลกนี่หรือว่าคนผู้นี้ก็จะบอกเอ๊ะเทวทูตที่หนึ่งเราไม่เคยเห็นเลยอะไรเทวทูตที่หนึ่งอา้าวก็คนที่ป่วยไงคนที่เจ็บไงที่นอนจมกองมูดกองคู้ของตัวเองต้องถูกจับให้ลุกให้ยืนเดินเหินเองไม่ได้ เนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองก็ต้องเจ็บอย่างนี้ก็ต้องป่วยอย่างนี้อย่ามามัวประมาทให้เร่งทำความดีทั้งกายว่าใจใจไล่ไปตั้งแต่เทวทูที่หนึ่งสองสมสี่ปรากว่าสัตว์นรกพวกนี้ก็มัวประมาทเลยไม่ได้ทําความดีลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําความดีมาเนี่ยเราก็จะเรียกได้ว่าพอจะควบคุมได้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าเรารู้ วิธีละแล้วเราไม่เคยสร้างเหตุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยต่อการอยู่กับเหตุนั้นๆถูกไหมคะถูกต้องอ่าเราไม่ทําแบบสม่ําเสมอน่ะทําบ้างไม่ทําบ้างแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจิตสุดท้ายฉันมีสติฉันต้องสามารถทําการะบนดวงจิตที่มีอุปทานที่ถูกต้องได้อไม่แน่ประมาณไม่แน่เท่ากับตั้งอยู่บนความประมาทถ้าอาจารย์ข้าเหลือเวลาสำหรับช่วงนี้อีก ประมาณหนาทีนะค ะ, ะอยากจะกลับเรียนถามคำถามถัดไปเลยได้ไหมค ะ, ะถ้าบุคคลพูดหนึ่งปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตำราที่ตนหาอ่านโดยไม่มีครูบาอาจารย์แต่มีความเคารพในพระอรหันตสาวกทุกรูปไม่ทราบว่าเป็นไปได้มากน้อยเท่าใดและจะกระทำได้ถึงที่สุดของความหลุดพ้นได้หรือไม่พระเชษาบอกว่า ่บุคคลที่รู้ธรรมแม้เพียงหนึ่งบทนะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ mm. ก็สามารถทํารรคผลนิพพานให้แจ้งได้ทีนี้ถามว่าไอ้ธรรมที่เรารู้เนี่ยมันเป็นธรรมของใคร <Okay. S 1> บทปัญชนะแบบไหนที่เราเอามาฟังเนี่ยใช่ไหม <Okay. S 1> อย่างพระที่อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยอยู่องค์เดียวเนี่ยถามว่าเอาแล้วท่านไม่มีครูบาอาจารย์หรือเปล่าท่านก็คือปฏิบัติองค์เดียวหลีกเล่นไปยอยู่องค์เดียวถามว่ามีครูบาอาจารย์ไหม mm. เราก็เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นครูบาอาจารย์ซะ นะแต่ว่าไอคุณธรรมที่เรียกว่ามีความเคารพในพระราหันตสาวกทุกรูปเนี่ยดีควรจะมีแต่ไม่ใช่แค่พระราหันหรอกพร ะ, ะทุกองเนี่ยหรือว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราควรมีความเคารพแล้วก็เมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกับภิกษุที่ยังมาไม่ถึงหรือที่กําลังอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเหตุ ข, ของความไม่เสื่อม อืมเธอก็จะหวังความเจริญได้อย่างเดียวหาความไม่เสี่อมได้แต่ประเด็นที่อาตมาจะเน้นย้ำกคือว่าถ้าหนึ่งต้องฟังธรรมของขครต้องทําฟังฟังธรรมของบุรุษเจา้าโดยบทและปียัญชนะสองแล้วก็ต้องปฏิบัติ ท, ทําสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอย่างนี้ได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่ม่านหลวงปู่เสารหรือว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่เาๆนี่ท่านก็อยู่ตามป่าตามเขาองค์เดียวค่ะะนมีหมู่คณะน้อย เป็นผู้สันโดษคุณขวัญน้อยสันโดษในบริการใย่ชีวิตอย่างนี้ท่านก็ปฏิบัติเพื่ อ, อหลุดพ้นมารผลนิพพานได้เหมือนกัน<ม>ก็คือว่าเป็นไปได้นะคะแต่ต้องปฏิบัติธรรมให้ถูกตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็คือตามหลักของพระุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาปฏิบัติตามสมควรแกร่ธรรมโดยบทและเพยียรชนะค่ะก็มีโอกาสที่จะถึงแก่ความหลุดพ้นได้ถ้าทำ ตามมักวิธีที่ถูกถูกต้อ ง, อง น, น, นะคะก็คือแผนที่ต้องถูกนั่นแหละไปไปถูกทางถ่าอาจารย์คะข้อสามค่ะชอบนอนมากเลย <c oughs> นั่งสมาธิก็หลับนิ่งเป็นหลัก <c oughs> เขาบอกว่าชอบนอนเพราะทุกน้อยไม่มีใครเดือดร้อนไม่เบียดเบียนใคร <c oughs> เคยอ่านเจอเกี่ยวกับเรื่องชาคริยานุโยก ประมาณว่าไม่ให้ติดสุกในการนอ น, น, นให้นอนน้อยเพื่อป ร, รารบความเพียอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับการติดสุกในการนอนว่ายอย่างไรบ้างคะถ้าไม่ดีควรแก้ไขอย่างไรคะใ ช, ใช่เรื่องการนอนนี่อตาตมาก็ก่อนที่เราจะมาบวชเราก็ชอบเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็ทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการนอนไปเยอะมากเหมือนกัน เขาที่พะพระท่านชอบนอนเนี่ยนะใช่ใช่ว่าการนอนแบบไหนกี่ชั่วโมงฮอร์โมนอะไรที่ใช้ในการนอนอะไรเกี่ยวข้องเนี่ยจะมาทํำวิจัยไว้เอาที่พระเจ้าตรัสไปก่อนพระเจ้าบอกว่าไม่ได้สรนเสริญการหลับนะพระเจ้าไม่ได้สรนเสริญการหลับนอนแต่ตรัสว่าถ้าตื่นแล้วคิดทําลายสงหรือตื่นแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยนอนดีกว่าออืนะแต่ถ้าแล้วพระเจ้าก็กํากับว่าเราไม่ได้สรนเสริญการนอนนะอไม่ได้การสรนเสริญการหลับ แต่ว่าวิธีการนอนหรือการหลับเนี่ยเป็น2ประเด็นที่ต้องแยกกันอา <Okay. S 1> รยบทนอนเนี่ยก็สามารถทําความเพียรได้นะถ้าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านจิตของเราไม่มีนิวรจิตของเราปราศจากการมพยาบาทเบียดเบียนอยู่ในอรรยบทไหนนอนตื่นอยู่เนี่ยก็เป็นผู้ทําความเพียรเผากิเลส <Okay. S 1> อันนี้ก็คือสามารถอยู่ในอารยบทนี้ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสกับพระโมคคัลนะว่าวิธีแก้ความง่วง8วิธี แล้พระโมคคานะเนี่ยสมัยก่อนก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนั่งงกง่วงอยู่ที่ที่ตัวเองภาวนาอยู่เสร็จแล้วเนี่ยพระเจนะ้าทราบความข้อนี้เขาก็เลยมาให้อุบายในการแก่ก า, าการง่วงอาการง่วงเพระโมคคานะก็ปฏิบัติตามนั้นมีข้อหนึ่งพระนะุเจ้าตรัสว่ า, าโมคคานะเธอเนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ที่ ประกอบความสุขในการนอนประกอบความสุขในการเองข้างประกอบความสุขในการเริ่มหลับอย่าเป็นอย่างนั้นมีสติในการมีสติในอันที่จะลุกขึ้นวิธีการนอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้นอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้าหรือจะนอนแบบสีห า, ายาอันนี้เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่าจากริยธรรมใช่ไหมก็เพรพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับการติดสุขในการนอนไว้บ้างพอสมควร แต่ว่าได้บอกวิธีที่นอนอย่างถูกคือนอนแบบมีสตินะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีควรแก้ไขอย่างไรคือดิฉันเข้าใจว่าเจ้าของคำถามเนี่ยเป็นคนที่คงจะนอนแบบนอนธรรมดาค่ะก็ชอบนอนมีคนชอบจริงๆนะคะมีเพื่อนอยู่คนสมัยติกเด็กเวลาไปหาทีไรเนี่ยก็จะต้องตื่นมารับเราทุกทีไม่ว่าไปเวลาไหน<อ>คือเพิ่งตื่นอ่ะชอบนอนก็เป็นผู้ที่ประกอบความสูงในการนอนไงดังนั้น เพื่อที่จะให้นอนแล้วได้กําไรสองต่ออืก็ต้องมีสติออยู่อย่างมีสติเพี้ยนเผากิเลสกําจัดยินลสออกจากจิตต้องนอนตะแคงข้างขวาอย่างที่ว่าไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าพระรุจ่าให้นอนอย่างไรพุะรุจ่าบอกพระองค์เองเนี่ยนอนในสมาธิแต่พูดถึงการนอนสีอย่างการนอนแบบเบรดการนอนแบบคนบริโภคกามการนอนอย่างศีหาและการนอนอย่างตถาคตการนอนอย่างเบรดคือนอนง่าย การนอนอย่างคนบริโภคกา ร, รคือนอนตะแคงข้างซ้าย <Okay. S 1> การนอนอย่างสีหะ ก, ก็คือนอนตะแคงข้างขวานะมีสติในอานที่จะลุกขึ้นสีหะเนี่ยก่อนจะลุกขึ้นเนี่ยจะชงเงือตัวดูกายตอนล่างถ้ามีการขยับของกายตอนล่างเนี่ยจะไม่ไม่พอใจแต่ถ้ากายตอนล่างยังนิ่งอยู่จะเรียกว่ามีความมั่นใจในตัวเองเพราะเหตุ น, นั้นนี่คือสีหะจะนอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านอนอยังไงพระพุทธเจ้า ก, ก็นอนอยู่ในสมาธิฌานทั้งสี ใ น, นพระองค์ก็ไม่ฟันธงว่าพระองนอนท่าไหนเห็นไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าบางทีเราเป็นฝีข้างข้างเนี่ยข้างขวานี่มันนอนตะแคงไม่ได้าก็ต้องนอนง่าย่ <c oughs> ึกออกไหมเพราะฉะนั้นนอนท่าไหนก็ได้แต่ให้อยู่ในสมาธิให้มีสติอยู่ก็ชื่อว่าเพียนเผากิเลส <c oughs> อีกประการหนึ่งจดท้ายแล้วัตถุชาติพูดถึงคนที่นอนหมอนไม้ให้ภ <c oughs> ิกษุเนี่ยนอนหมอนไม้คเป็นผู้มีท่อนไม้เป็นหมอนหนุนไม่ประมาท <c oughs> <c oughs> อาดมาเราเอาไม้เนี่ยมันหนุนนอนนะมันไม่ได้สบายเลยเพราะเรารู้สึกตัวขึ้นปุ๊บเราจะตื่นทันทีไม่สามารถประกอบความสุขในการเอนนอนข้างได้ไม่มีทางเลย <Okay. S 1> เพราะว่าเจ้ายังเปรียบเทียบถึงกษัตริย์ก็ตามหรือว่าข้า บ, บดหีหัวหน้าหมู่บ้านกำนันแหน่อำเภอคนที่มีเงินเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะปกครองอดินแดนหรือว่าปกครองหมู่คณะของตัวเองเนี่ยให้มีความสุขได้ถ้าเป็นผู้ที่นอนหลับไหล ตื่นจนกระทั่งตะวันขึ้นไปแล้วอย่างนี้เพระนั้นก็ให้นอนขอนไม้นอนขอนไม้ใช่เอาขอนไม้เป็นหมอนหนุนเอาท่อนไม้เป็นหมอนหนุนค่ะแนื่องจากนอนไม่สบายจึงทําให้นอนมีสติได้มากกว่าอย่างนั้นคะใช่นะคะทีนี้สําหรับท่านเจ้าของคําถามเนี้ยยังเข้าใจว่าคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะคะ เรื่องการนอนที่สงสยัยควรแก้ไขอย่างไรดิฉันคิดว่าให้ฟังไปแล้วก็ไปพิจารณาดู<ช>ว่าอาการของท่านเนี่ยควรจะไปปรับอย่างไรและขอให้อ่าประสบผลสาเร็จนะคะในการที่เข้าใจว่ามาถามคำถามนีในรายการธรรมะก็<ๆ>ต้องการได้ธรรมะนั่นแหละให้ได้ในสิ่งที่ท่านอยากได้พระอาจารย์ครับพดีเดี๋ยว เรายังพอมีเวลาสำหรับพระจันทร์ไพบูร์เพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีการอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนื่องจากจบไปแล้วนะคะก็พักสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านอาจารย์ได้เตรียมเอาร้อยแปดตถาคตพาสิทธิ์ที่เรากำลังแจกเป็นสอสอเนี่ยมาอธิบายให้กับท่านฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสักครู่คะ่ะถามโลกตอบทางท่านฟังที่ครบคะ่ะ ท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมสนาสนทนาที่สถานีวิทยุ FM ฟเอรวิทยุครอบครัวข่าวดิฉันสัมสนาณภูดั น, นเด น, นรายการค่ะและในช่วงนี้ที่เราได้อ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ให้ฟังจนจบหมดไปก่อนหน้านี้แล้วสักประมาณ3ามอาทิตย์เนี่ยนะคะพระอาจารย์เพบูบณอภิปุนโนก็เลยได้ใช้เวลานี้ในการที่จะอธิบาย บางตถาคตพาสิทธิ์ที่อยู่ในร้อปรตถาคตพาสิทธิ์ซึ่งเรากำลังแจกให้เป็นสคสปีใหม่กันอยู่ให้กับท่านผู้ฟังค่ะทนอาจารย์คะวันนี้ท่านจะอธิบายเรื่องใดคะในหัวข้อที่28ค่ะนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เป็นธรรมะวาทีย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกแล้วก็ในหัวข้อที่91สทรงตรัสว่าเธอผู้มีจิต ด, ดุจพ ล, ล้วอย่างนี้แล ย่อมไม่กล่าวคำประจบใครๆย่อมไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆและโอหารใดที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเธอก็กล่าวโดยโอหารนั้นไม่ยึดมั่นความหมายอะไรๆอยู่อันนี้ก็หมายความว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมเนี่ยเขาไม่ว่าใครไม่ด่าใครหรอกไม่กล่าวขัดแย้งกับใคระนะและพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่ตรัสกับอคิเวชนะอ่า ที่ข้กขร่รามคือพรามเล็บยาวที่มากล่าวหาพระพุทธเจ้าอในเรื่องที่ว่าวาทะบางวาทะเนี่ยไม่ชอบไม่ถูกต้องไม่ไม่ควรซึ่งภาษาริบุตรเนี่ยฟังพระสูตรนี้อยู่เนี่ยแล้วถวายงานพัดอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังจากที่จบข้อความนี้แล้วเนี่ยนะที่เธอกล่าวว่าหนั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรๆอยู่เนี่ยพอจบข้อความนี้แล้วเนี่ยภาษาริบุตรได้บรรลุเป็นพระอรันอย่างนั้นเลยหรือคะใช่เพราะว่า พระพุทธเจ้าตอนก่อนหน้านี้ได้อธิบายถึงอาการที่เวทนาทั้งสอย่างเป็นอย่างไรนาการเกิดขึ้นของเวทนาทั้งสอย่างและความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันเมื่อเห็นลักษณะนี้แล้วจิตจะหลุดพ้นพระพุทธเจ้าเลยสรุปว่าผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างเนี้ยจะไม่กล่าววาจาประจบใครจะไม่กล่าววาจาขัดแย้งกับใครอะไรอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยเราก็เอออหอหม ก, กับเขาได้โดยที่ไม่ขัดแยง้งไม่ยึดมั่นถือมั่นก็นะเป็นผู้ที่สบาย เออออกกับเขานี่ทั้งๆสมมุติเกิดเขาพูดในสิ่งที่มันผิดล่ะคะเราไปเออออกเขาได้ถ้าพูดสิ่งที่ผิดเนี่ยพูดที่มีจิตลดเพราะอย่างนี้จะนิ่งอย่างพระอริยเจ้าอ๋อะจะเป็นพูดนิ่งอย่างพระอริยเจ้าคือไม่สนไม่ตอบสนองแต่ถ้าเขาพูดสิ่งที่ดีเราสารดุสา ร, สารุอนุโมทนาท่าอาจารย์คะกลับไปที่พูดสิ่งไม่ถูกเนี่ยเฉยๆอย่างเดียวอ๋อก็เขาพูดไม่ถูกและถ้าเรารู้อยู่ว่าไม่ถูกปล่อยให้เขาพูด ซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การคิดไม่ถูกการทําไม่ถูกไปด้วยอย่างนั้นเหรอคะคือถ้าจะปล่อยหรือจะสอนเนี่ยต้องดูตามเหตุตามการละไงพระราชาเองก็เหมือนกันถ้ามีใครทําผิดอยู่เนี่ยพระราชาบางทีก็สอนทีทหลังหรือว่าบางทีก็สอนเดี๋ยวนั้นแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในจิตก็สบายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปกล่าวคําขัดแย้งกับใครๆ ใ, ในโลกและถ้ายิ่งมีจิตหลุดพ้นแล้วนะคะ ไม่กล่าวทั้งคำประจบไม่ขัดแย้งกับใครโวหารไหนเขากล่าวกันเราก็สามารถจะอยู่ตรงนั้นรับฟังได้โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น ใ, ในสิ่งที่เขากล่าวกันอยู่เป็นหนึ่งในร้อยแปดตถาคตสองในร้อแปดตถาคตพาสิทธ์นะคะที่แจกให้อยู่ในช่วงนี้หมุนมาที่หมายเลขศูนย์สองสองหหที่สถานีวิทยุ FM106 รอยหค่ะวันนี้คงมีเวลาที่จะ จรารยการกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้น้ำส ก, การขอบพระคุณท่าอาจารย์และสวัสดีนะคะท่านฟังติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิถีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสรนสนิษนาคพง์ที่นี่สทรอฟวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าว เข้าถึงทุกคน